สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมอยากจะแบ่งปันคําพยานจากชีวิตของผมอีกสักตอนหนึ่งนะครับขออนุญาตและขอถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับในพระเจ้นะของพระเจ้ากิจการบทที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบสี่ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าและประเรสริฐสาหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้า ขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสาแดงพระคุณของพระเจ้านั้นะครับขณะที่พระเจ้าทรงเรียบพระเจ้าได้ทรงให้พวกใช้ของพระเจ้าได้มาเตือนสติผมว่าจะต้องเรียนพระคัมภีร์ครับการเรียนพระคัมภีร์นั้นไม่เป็นการไม่มีช่องทางรัฐครับก็คือจะต้องเข้าไปเรียนในสถาบัน ในเมื่อมีชีวิตคุกคลีฝักไฟอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทําให้เรารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึน้นครับพี่น้องครับในชั่วโมงเรียนศาสนาศาสตร์นะครับก็ได้ทําให้ผมได้เห็นถึงว่าเรากำลังเรียนศาสตร์เรากําลังเรียนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าไม่มีศาสตร์ไหนไม่มีความรู้ไหนที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่าความรู้ของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับศา ส, สนาศาสตร์จึงเป็น ศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับผมเองพี่รองครับเมื่อเรีย น, านศาสนาศาสตร์เรียนรู้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเรีย น, านศาสนาศาสตร์เราจะรู้น้ําันไทยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะศาสนศาสตร์นั้นคือการเรียนพระคัมภีร์นะครับการเรียนเรื่องหลักข้อเชื่อการเรียนเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ซึ่งได้ถูกจัดวางไว้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยพี่รองครับในชีวิตของผมนั้นนอกจากคุณพ่อคุณแม่นอกจากพิธีศิษรนะครับ แต่ชีวิตส่วนตัวครอบครัวผมเองก็มีภรรยาเมื่อเราเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรารู้ครับว่าต่อไปนี้ภรรยานั้นเป็นเนื้อเดียวกันกับเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันนั้นความผูกพันแปรรูปที่ก็จะต้องมาก่อนพี่น้องครับมาก่อนนอกเหนือจากพระเจ้าแล้วคือชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวของเรานี่คือสิ่งที่ได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้าวิชาชีพของเรานะครับเป็นรองลงไป ความรับผิดชอบในที่อื่นๆเป็นรองไปคนอื่นๆมีเป็นรองไปนะครับพี่น้องครับนี่คือหลักการของพระเจ้าของพระเจ้าทําให้ผมนั้นและครอบครัวนั้นได้มีโอกาสใกล้ชิดเชิทสนมมากจิ่งขึ้นครับทําให้คอนเซปต์ต่างๆนะครับเรื่องการเงินนะครับเรื่องการไว้วางใจนะครับเรื่องการใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับพี่น้องครับตอนสองขวบครับของลูกชายของผมนะครับผมเริ่มเป็นมะเรตอนเจ็ดขวบ ของลูกชายผมเป็นมะเร็งชามอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับผมอธิฐานขอพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงเมตตาอย่าให้ลูกของผมนั้นได้เป็นเด็กกําพร้าเลยอย่าให้ภรรยาของผมนั้นได้กลายเป็นแม่ไม้เลยผมขออธิฐานกับพระเจ้าอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าครับขอถวายเพียรแด่พระเจ้าครับพระองค์ทรงฉดับฟังคำอธิฐานของผู้เล็กน้อยอย่างผมในขณะเดียวกันผมก็ได้ถวายชีวิตและถวายครอบครัวให้กับพระเจ้าทุกๆครั้ง เมื่อผมขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนผมจะอธิษฐานก่อนลูกจะลงจากรถได้อธิษฐานว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้ชีวิตของลูกชายของผมได้เป็นประภอรและเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและขอพระองค์ทรงผูกมัดอํานาจมื้นบินยันชั่วทั้งหลายนะครับและขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของพวกเรานะครับและขอปกป้องจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่ารัชสำนาริเตศและพัิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมอธิษฐานแบบนี้ทุกวั น, ท, วนทุกวันกับลูกพี่น้องครับและขอบคุณพระเจ้าครับด้วยความจัดซื่และด้วยพระคุณของพระเจ้านะครับพระองค์ได้ทรงอภิบาลเลี้ยงดูครอบครัวงผมมาไม่เคยขาดสิ่งจําเป็นใดๆเลยแม้กระทั่งเงินทองแม้กระทั่งความสุขแม้กระทั่งความสะดวกสบาย พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตอบแทนให้ในโลกนี้และในโลกหน้าครับในชีวิตหน้าเราจะมีบําเต็จอีกมากมายครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าที่ส่งครอบครัวที่ดีนะครับที่ดีมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีมีคุณแม่ที่ดีมีญาติพี่น้องมีคุณน้าที่ดีให้กับครอบครัวของผมและท่านเหล่านี้ได้สนับสนุนผมมาตลอดในการรับใช้พระเจ้าทำให้ผมเข้มแข็ง และไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องพะวางหน้าพผวางหลังขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าได้ให้สิ่งเหล่านี้ในการรับใช้พระองค์เสมอพี่น้องครับผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าพระหัตของพระเจ้าไม่เคยสั้นที่จะช่วยไม่ได้และพระเจ้าไม่เคยติดหนี้ผู้ใดเลยครับไม่เคยติดหนี้ผู้ใดเลยพี่น้องครับพระองค์ไม่เคยไม่เคยติดของดีประการใดที่จะส่งเข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้พี่น้องครับเมื่อเรามีชีวิตที่เชื่อฝังพระเจ้า เมื่อเรามีชีวิตที่มอบถวายกับพระเจ้าเมื่อเราชีวิตที่ตัดสินใจที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเราเองผมอยากจะสนับสนุนและให้กําลังใจหลายในท่านนะครับอาจจะเป็นอรุณชนหรืออาจจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นผู้โอบโสที่กําลังตัดสินใจถวายตัวนะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่ท่านได้มีความคิดเชน่นนี้ขอพระเจ้าและพระวิญญานบริสุททรงนําท่านและขอพระเจ้าได้ให้ชีวิตของผมนั้นอาจจะเป็น ตัวอย่างนะครับเล็กๆอันหนึ่งที่จะให้ท่านได้มั่นใจถึงการทรงนําของพระองค์คร really ับผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ครับพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่รู้ดีและรักเรามากกว่าตัวเราเองครับเพรพระเจ้าของเราต้นเป็นผู้ที่วางแผนชีวิตของเราให้ได้ดีมากกว่าเราวางเองครับขอให้เรามอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าครับถวายกับพระองค์นะครับและพระองค์จะทรงโปรดนาพาและการันตีชีวิตของเราพระองค์เป็นล่มเป็นป้อมปาการนะครับเป็นที่รีพไพรของเราทั้งหลาย อาเมน